สิกขาบทที่8ภิกษุณีเพราะเข้าใจผิดเพราะใคร่ครวนผิดให้ผู้อื่นโพนธนาต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังให้โพนธนาต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อให้โพนธนาแล้วต้องอาบัตปาจิตตี